วันนี้เป็นวันเสาร์ที่เก้ามีนาคมพุทธศักราช2567เป็นวันพระเป็นวันธรรมิสวนระคือเป็นวันฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งการฟังธรรมตามการตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวนงังเอตัมมังกาลมุตตะมังการฟังธรรมตามการตามเวลามีคุณมีประโยชน์มากจะทำให้ชีวิตเราสุขแล ะ, จะเจริญขึ้นไปตามลำดับ ความสุขความเจริญของชีวิตก็คือความเป็นมงคลนี่เองเพราะว่าการกระทำคือการฟังธรรมนี้จะเกิดประโยชน์อยู่ห้าประการด้วยกันคือ1หนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสอง ทมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าได้ฟังซ้ำอีกบ่อยๆก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้สี่จะทำให้เกิดสัมมาทิจฐิความเห็นชอบคือปัญญา ความรู้ความฉลาดและห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังธรรมถ้าฟังที่โดยวิธีการที่ถูกต้องคือจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนั่นเองดังนั้น เวลาที่สั่งทำจึงไม่ควรมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายควรจะนั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้น<ม>การนั่งเฉยๆการไม่มีการเคลื่อนไหวทางร่างกายนี้เราก็เรียกว่าศียนี่มีศียและการไม่มีการพูด คุยกันคือยความสงบทางวาจาเพราะว่าถ้าเราคุยกันเราก็จะไม่ได้ตั้งใจฟังธรรมเราก็จะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของธรรมธรรมที่เราได้ยินก็จะไม่ได้เข้าไปในใจของเราเพราะเราหมวัวแต่คุยกัน หรือม่าแต่ทำอะไรกันอย่างใดอย่างหนึง่งนั้นการที่จะฟังทำให้เกิดคุณประโยชน์จำเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาที่สงบคือมีสีนั่นเองสงบกายสงบวาจาแล้วก็ให้สงบใจด้วยใจก็ไม่ควรที่จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับ เสียงแห่งธรรมที่มาสัมผัสที่หูและเข้าไปในใจถ้าใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะรับเสียงธรรมเข้าไปในใจได้ตลอดได้ได้ครบบริบูรณ์ที่เรียกว่าความสงบของใจคือการมีสมาธิในการฟังธรรมนั่นเอง ใจไม่ควรที่จะไปคิดถึงเมื่องนั้นคิดถึงเมื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ในขณะที่ฟังธรรมหรือแม้จะใช้การท่องบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปในขณะที่ฟังธรรมก็ไม่ควรที่จะทำเพราะจะทำให้เกิดการขัดกันขึ้นมาในใจ ไหนจะมีเสียงธรรมเข้ามาไหนจะมีคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปด้วย<ม>ก็อาจจะทําให้ใจไม่สงบและ จ, จะไม่ได้รับความรู้ทางด้านปัญญาด้วยเวลาฟังธรรมจึงไม่ควรที่จะบริกรรมพุโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกให้ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนต้องการมีอารมณ์เดียว ไม่ต้องการให้มีหลายอารมณ์เข้ามา <Ừ. S 1> แข่งกันจะทำให้ใจไม่สงบใจจะสงบนิ่งเย็นสบายจำเป็นจะต้องมีอารมณ์เดียวไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจหรือเป็นที่กรองใจให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ <Ừ. S 1> เราสามารถใช้เสียงธรรมแทงธรามเลยกรรมพุโทโธได้ แทนการดูลมหายใจเขาออกได้เราก็จะสามารถนั่งสมาธิไปในขณะที่เราฟังธรรมควบคู่ไปได้ด้วยแล้วผลที่จะเกิดหนึ่งในผลที่จะเกิดก็คือความสงบสุขของใจที่จะปรากฏขึ้นมาเราต้องฟังด้วยใจที่สงบใจที่ไม่ทำงานไม่คิดปรุงแต่งกับเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคำบริกรรมพุโทโธหรือบทสวดมนต์หรือการดูลมหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ในขณะที่เรานั่งฟังธรรมถ้าเรานั่งฟังธรรมเราใช้เสียงธรรมเป็นเครื่องปลอบใจเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วถ้าเราฟังแล้วใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ อยู่กับเสียงธรรมเพยงอย่างเดียวใจก็จะค่อยๆสงบไปตามลาดับนอกจากความสงบแล้วใจก็จะได้เรียนรู้เรื่องของธรรมะต่างๆที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วก็ได้หรือเราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็ได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มีหลากหลายเรื่องด้วยกัน ที่จะควรสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับเพราะว่าเราจะได้ใช้ธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้มาสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจของพวกเราถ้าไม่มีธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องมือแล้วเราจะไม่สามารถสร้างความสุขสร้างความเจริญต่างๆให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของพวกเราได้เลยเราจะกลับทำให้จิตใจเราตกต่งทำให้จิตใจเราวุ่นวายทาให้จิตใจเรามีความเศร้ามีความทุกข์เพิ่มขึ้นมากไปตามลำดับธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็น ความรู้ที่จะสอนให้เรารู้ว่าความสุขความเจริญของเรานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและความทุกข์ความเสื่อมต่างๆของจิตใจเรานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเรารู้เหตุที่ทำให้ใจของเราสุขใจให้เราเจริญเราก็จะได้ พยายามสร้างเหตุนั้นให้มีปรากฏขึ้นมาในใจให้บ้างว่า hmm. เมื่อมีเหตุที่ทำให้ใจสุบให้ใจเจริญใจก็จะเจริญขึ้นไปตามลาดับ hmm. ใจก็เป็นเหมือนต้นไม้ hmm. ต้นไม้นี้ก็มีเหตุที่จะทำให้ต้นไม้เจริญเจริบโตและมีเหตุที่จะทำให้ต้นไม้นั้นไม่เจริญเจริบโต เเราก็รู้ว่าต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ก็จะต้องมีน้ำคอยลดให้ต้นไม้อยู่เรื่อยๆแล้วอาจจะต้องมีปุ๋ยคอยเติมให้อยู่เรื่อยๆ เ, เพื่อที่จะได้ทำให้ต้นไม้นั้นจเจริญเติบโตไปแล้วเราก็จะรู้ว่ามีเหตุที่จะทำให้ต้นไม้นี้ไม่เจริญเ ต, ต, ติบโตหรือตายได้เช่นวัชพืชเอ่อแมงสัตว์กัด ต่างๆที่อาจจะมากัดกินใบต้นไม้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้ต้นไม้นั้นไม่เจริญและอาจจะเสื่อมลงและตายลงไปได้ใจเราก็เป็นเหมือนต้นไม้มีเหตุที่จะทำให้ใจเราสุขให้ใจเราเจริญและมีเหตุที่จะทำให้ใจเราเสื่อมใจเราทุกข์ ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้จักเหตุต่างๆทั้งเหตุที่สร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจและเหตุที่ทำให้จิตใจนั้นตกต่ำทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริง ซึ่งเป็นความจริงที่เราอาจจะยังไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้ด้วยตัวของเราเองเพราะเรายังไม่มีเครื่องม้เครื่องมือที่จะเห็นธรรมอันประเสริฐเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกได้รู้ได้เห็นกันได้แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษา เราจะได้เรียนรู้วิธีการที่เราจะสามารถรู้เห็นทำที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ mm hmm. เราจะเรียนรู้วิธีหรือเครื่องมือที่จะใช้ในการที่จะทำให้เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ในขณะนี้ mm hmm. เช่นะสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือเรื่องของ เ, อเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์<ม>เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ<ม>เราไม่รู้ว่าเราเวลาที่เราตายไปแล้วนี้เราจะไปเกิดต่อไปหรือไม่อย่างไร ก็เราไม่เห็นตัวที่จะไปเกิดว่าเป็นใครนั่นเองส่วนสิ่งที่เราเห็นก็คือร่างกายซึ่งเราก็รู้ว่าร่างกายนี้เมื่อตายไปแล้วก็ต้องไปวัดอย่างเดียวไปให้เขาจัดการชาปนกิจทําลายให้กลายเป็นขี้เถ้าที่ฐานไปเมื่อร่างกายตายไปกลายเป็นขี้เถ้าที่ฐานกลาย เ, เป็นดินแล้ว แล้วใครจะไปนรกใครจะไปสวรรค์กันใครจะไปเวียนว่ายตายเกิดกันใครจะไปเกิดใหม่อันนี้ถ้าเรามองที่ร่างกายของเราเราก็จะไม่เข้าใจว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นอย่างไรและนรกสวรรค์ ที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี้มีจริงหรือไม่และเหตุที่ทำให้เกิดนรกเกิดสวรรค์ขึ้นมานี้มีจริงหรือไม่ mm. อันนี้เราจะตอนต้นเราจะยังไม่เข้าใจ mm. เพราะว่าเรายังขาดเครื่องมือที่จะมองเห็นสิ่งที่ร่างกาย ที่ตาของร่างกายไม่สามารถมองเห็นได้ทารที่เราจะมองเห็นเรื่องของผู้ผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นใครและสวรรค์นรกที่จะไปนั้นเป็นอย่างไรมีจริงหรือไม่และเหตุที่ทำให้ไปสวรรค์คือบุญและเหตุที่ไปนรกคือบากนี้ เป็นเหตุจริงหรือไม่สิ่งเัล่นี้นในขณะนี้ถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มีเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้<ม>เราก็จะยังไม่รู้จริงว่าเป็นสิ่งที่จริงหรือไม่มม แต่สิ่งที่เราควรจะมีในเบื้องต้นคือเราควรจะมีศรัทธาในผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมท่านมีเครื่องมือที่จะเห็นธรรมชนิดต่างๆที่พวกเรายัางมองไม่เห็นกัน ก็คือเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นเหตุที่พาให้ไปนรกว่าเป็นศีลว่าเป็นการกระทำบาปเห็นเหตุที่จะไปสวรรค์ก็คือการทำบุญต่างๆสิ่งเหล่านี้เรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเพราะตาใน ดวงตาที่จะเห็นธรรมของพวกเราในขณะนี้ถูกโมหะอาวิชากิเลสตัณหาปิดบังเอาไว้นั่นเองเราจึงต้องมาเปิดตาในเปิดดวงตาเพื่อให้เห็นธรรมด้วยการกำจัดสิ่งที่มาครอบคุมพุ่มห่อตาในของพวกเราตาที่จะมองเห็นธรรม ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าดัางนั้นในเบื้องต้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือเราจะต้องจำเป็นจะต้องมีศรัทธาความเชื่อในผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็คือเชื่อในพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้า และเชื่อในพระธรรมคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองก็คือสรุปก็คือให้เชื่อในพระรัตนกายเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจสารณะก็คือครูอาจารย์ผู้ที่จะพาเราสอนเราให้เรา มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเมื่อเรามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็จะมีสารณะนที่แท้จริงภายในใจของเราโดยที่ไม่ต้องใช้ความเชื่อเหมือนตอนแรกๆอย่างตอนนี้ตอนนี้เราต้องเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือคําสอนของ ของพระพุทธเจ้าที่ข้ารีาส่งสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติได้เห็นแล้วก็ได้นำามามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราเพราะเราในขณะนี้เปรียบเหมือนคนตาบอดคนตาบอดนี้จะมองไม่เห็นอะไรจะเดินทางไปไหนมาไหนจำเป็นจะต้องมีคนตาดีเป็นคนพาไป ดังนั้นคนตาบอดจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเชื่อคนตาดีในการที่จะเชื่อคนตาดีให้พาไปสู่ที่เราต้องการจะไปนะั้นก็เพราะว่าเราเชื่อว่าเขามีความเมตตาการุณาเขาไม่มีความใจโหดร้ายทารุณที่คิดจะมาปองร้ายทําร้ายเราเราก็ต้องเชื่อว่า พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้ท่านมีแต่ความเมตตากรุณามีแต่ความหวังดีมีความปรารถนาที่จะช่วยให้เราได้ไปสู่ที่สุขที่เจริญ<ม>ด้วยการสอนเราให้เราปฏิบัติทำต่างๆ<ม>ถ้าเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะได้ ปฏิบัติตามที่ท่านได้สั่งสอนได้เมื่อท่านเมื่อท่านได้เมื่อเราได้ปฏิบัติตามที่ท่านสั่งสอนแล้วไม่ช้าก็เร็วตาของเราที่มองไม่เห็นธรรมนี้ก็จะเปิดขึ้นมาทันทีตาที่พูดถึงนี้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ตาของร่างกายแต่เป็นตาของใจเรามีใจอีกส่วนหนึ่ง ไม่ใช่มีเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นชีวิตของเรานี้มีองค์ประกอบส่วนสองส่วนใหญ่ๆด้วยกัน<ม>คือมีร่างกายแล้วก็มีใจ<ม>ผู้รู้ผู้คิด<ม>ใจนี้เป็นธาตุรู้<ม>ส่วนร่างกายนี้เป็นธาตุสี่<ม>คือธาตุดินธาตุน้านําธาตุลมธาตุไฟร่างกายนี้ต้องมีธาตุสี่ถึงจะมีร่างกาย เป็นเป็นร่างกายขึ้นมาได้ต้องมีธาตุสี่มาประรวบรวมกันแล้วก็มาผลิตอาการสามสิบสองคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอาการต่างๆอวัยวะต่างๆในร่างกายนี้ต้องมีส่วนประกอบของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟจึง ถึงจะมีอาการต่างๆนีอวัยวะต่างๆเกิดขึ้นได้อันนี้คือส่วนประกอบของร่างกายประกอบจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟส่วนใจนี้ผู้ที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายเป็นเหมือนกับฝาแฝดฝาแฝดสยามแฝดสยามนี้เขาเป็นคนสองคนด้วยกันแต่ร่างกายของเขา ติดกันไม่ได้แยกออกจากกันเวลาจะไปไหนก็ต้องไปด้วยกันฉั้นใดใจที่เป็นธาตุรู้หรือเป็นธรรมชาติที่คิดได้ที่มีความรู้สึกนึกคิดได้นี้เป็นผู้ที่มาเชื่อมติดกับร่างกายด้วยการใช้กระแสของการรับรู้ของธาตุรู้อีกทีที่เรียกว่าวิญญาณ วิญญาณนี้จะส่งกระแสการรับรู้มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายพ อ, อมีวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายใจก็จะสามารถรับรู้เสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายได้ออก็จะรู้ว่าร่างกายกําลังเห็นอะไรร่างกายกําลังได้ยินอะไร ร่างกายกําลังได้ดมกลิ่นอะไรลิมรสอะไรได้สัมผัสกับสิ่งที่มากระทบที่ร่างกายเป็นอย่างไรต่างๆอันนี้ใจเป็นผู้รับรู้ร่างกายเป็นเพียงผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสผดธรรมะตัวร่างกายเองไม่รู้รูปเสียงกลิ่นรสผดธรรมะเพราะในร่างกายไม่มีธาตุรู้ในร่างกายมีธาตุดินน้ํำนมไพรเท่านั้น ซึ่งธาตุดินน้ำล ม, มไฟนี้ไม่มีความสามารถที่จะรับรู้อะไรได้เพียงแต่มีมีความสามารถที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสผุดภพะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้งกายแล้วก็ส่งไปที่ใจด้วยการด้วยการเชื่อมต่อของกระแสวิญญาณที่ออกมาจากใจมาเกาะที่ตาหูจมูมกนิ้นกายนี่แล้วเมื่อใจได้รับรูปเสียงกลิ่นรสแล้ว ใจก็จะได้รู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษพอรู้ว่าเป็นคุณเป็นโทษหรือดีหรือไม่ดีก็จะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาทันทีเมื่อเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ใจก็จะเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งต่อรูปเสียงกลิ่นรสปุถพะที่ได้สัมผัส ถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าที่ดีที่เป็นให้ความสุขก็จะเกิดต้านหาความอยากอยากให้ร่างกายไปเอาเสียงนั้นมาเก็บไว้อยู่กับร่างกายไว้นานๆ <Yes. S 1> ถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ะที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะมีจะสั่งให้ร่างกาย ทำจัดรูปเสียงก ล, ลิ่นรสผดสะพานั้นหรือไม่ฉะนั้นก็ให้แยกให้แยกตัวออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพานเพราะไม่ต้องการที่จะสัมผัสกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการสัมผัส ข, ของตาหูจมูกลิ้วกายกับรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพานนี่เองนี่คือชีวิตของพวกเรามีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกัน มีร่างกายที่เรามองเห็นได้ร่างกายที่มีอาการสามสิบสองแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เรามองไม่เห็นกันก็คือใจนี่เองใจผู้ที่สั่งการให้ร่างกายนี้ไปทำอะไรต่างๆอันนี้ใจมองเราใจยังมองไม่เห็นทั้งๆที่ใจนี่แหละเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วก็เป็นผู้ที่จะไปรับผล จากการที่ไปสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆต่อไปอันนี้ใจเป็นผู้สั่งการใจเป็นผู้รับผลของการสั่งการของการกระทำของร่างกายเช่นถ้าสั่งการให้ร่างกายไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติิประเทนีไปโูดปฎ ใ, ใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันที เกิดความร้อนใจความทุกข์ใจไม่ได้เกิดที่ร่างกายเวลาร่างกายทําบาปร่างกายเขายังไม่ทุกข์ยังไม่เป็นอะไรยังไม่ได้เจ็บยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยจากการกระทําบาปแต่ผู้ที่ทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําบาปก็คือใจนี้เองใจผู้รู้ผู้สั่งการให้ร่างกายไปทําบาปนี้เป็นผู้ที่จะต้องรับ ผลที่เกิดจากการกระทำบาปของร่างกายกลายเป็นผู้สั่งการและใจเป็นผู้รับผลร mm. ่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้ mm. เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ที่ไปรับผลบาปแต่อย่างใด mm. เวลาใช้ร่างกายไปทําบาปร mm. ่างกายก็ยังสุขยังสบายอยู่ไม่เจ็บตรงนั้นไม่ปวดตรงนี้ mm. แต่ผู้ที่เจ็บผู้ที่ทุกข์ก็คือใจ เวลาใจทำบาปแล้วใจจะมีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมามีความหวาดวิตกกังวลกับกับผลของการกระทำบาปที่จะตามมาเพราะถ้าเราไปทำร้ายผู้ผู้อื่นเขาก็อยากต้องคิดตอบตอบแทนการทำร้ายของเราด้วยการที่จะกลับมาทำร้ายเรานั่นเองเมือ่อเรารู้ว่าจะมีคนทามาทำร้ายเราเราก็จะมีความไม่สบายใจแล้ว นี่แหละคือเรื่องของการทําบาปทําด้วยใจใจเป็นผู้กระทํามโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือผลจึงไม่ได้เกิดที่ร่างกายแต่ผลเกิดที่ใจใจทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีใจไม่สบายขึ้นมา ท, าทันทีแต่ร่างกายทำไปแล้วร่างกายก็ไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความไม่สบายแต่อย่างใดเพราะร่างกายนั้นเป็นเหมือนกับเป็น เครื่องมือที่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น mm. ผู้ที่รู้เรื่องก็คือใจผู้ที่สั่งให้ร่างกายไปทาบาป mm. ผลที่เกิดขึ้นที่เป็นความทุกข์ใจนี่แหละมันจะสะสมอยู่ในใจต่อไปมันยังไม่ได้หายไปมันยังไม่ได้หมดไปเพียง mm. แ, แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แสดงผล มันเพยงแสดงผลชั่วระยะแรกๆในขณะที่เราท ำ, ทำทำทำบาปใหม่ๆทำบาปแล้วเราจะรู้สึกไม่สบายใจไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะลืมไปเพราะเราจะไปทำอะไรอย่างอื่นต่ออีกทีเพราะว่าในชีวิตของเราในแต่ละวันนี้เรามีการกทำอะไรหลายอย่างสลับกันไปสลับกันมา นอกจากการทำบาปแล้วเราบางทีก็ได้ทำบุญแล้วเราก็ได้ทำอย่างการกระทำที่ไม่ใช่เป็นการกระทำที่เป็นบาปหรือเป็นบุญในแต่ละวันของชีวิตเหล่านี้เราจะมีการกระทำสามอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมามากบ้างน้อยบ้างเช่นทำบาปบ้างแล้วเดี๋ยวก็ไปทำบุญแล้วเดี๋ยวก็ไปทำ ที่ไม่ใช่เป็นบุญและไม่เป็นบาปการกระทําที่ไม่ใช่เป็นบุญเป็นบาปเป็นอย่างไรก็คือการกระทําที่ไม่ได้ทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนหรือได้รับคุณได้รับประโยชน์คือการกระทําเพื่อร่างกายของเราเช่นการไปออกกําลังกายการไปดูแลร่างกายด้วยการอาบน้ําหลังท่าหาอาหารให้ร่างกายรับประทาน นี่เรียกว่าเป็นการกระทาที่ไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปการกระทาที่เป็น บ, บาปก็คือการกระทาที่ทำให้เกิดทำให้ผู้อื่นเขาเกิดความเสียหายเดือดร้อนขึ้นมาเช่นการฆ่าสัตว์เป็นต้นการทาบุญก็คือการทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้่นเช่นเราอาจจะมีข้าวของเงินทองแล้วเราเห็นมีผู้หนึ่งมีผู้ใดผู้หนึ่งเกิดความ เดือดร้อนขึ้นมาเราก็ให้ความช่วยเหลืออาจจะให้ข้าวของเงินทองเขาไปเพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเป็นการทำความดีทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นผลของการกระทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจที่เราทำมันก็จะสะสมไว้ในใจเหมือนกับ การกระทำบาปของเราผลของการกระทำบาปมันก็จะสะสมไว้ในใจของเราแล้วเวลาที่ร่างกายของเราตายไปบุญและบาปที่เราได้ทําไว้ที่เราได้สะสมไว้ใ น, ในใจนี้มันก็จะเป็นผู้ที่จะมาถุดลากใจของเราให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ถ, ถ้าเราทำบุญบุญที่เราสะสมไว้นี้มีมากกว่าบาปบุญก็จะมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจของเราให้ไปรับผลบุญก่อนก็คือให้เราไปสวรรค์ชั้นต่างๆกันเพราะบุญก็คือความสุขสวรรค์ก็คือความสุขชั้นต่างๆความสุขใจชั้นต่างๆกันในทางตรงกันข้ามถ้าบาปที่เราทำไว สะสมไว้มีมากกว่าบุญบาปก็จะเป็นผู้ที่จะดึงใจของเราให้ไปทางของบาปก็คือให้เราไปไปอยู่ในอบาย ใ, ให้เราไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างหรือไปตกนรกบ้างนี่แหละคือสิ่งต่างๆที่เราตอนนี้ยังมองไม่เห็นกันคือการทำการกระทำของเรา นั่นมีผลอย่างไรต่อจิตใจของเราอันนี้เราไม่รู้เพราะเรามองไม่เห็นจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นนามธรรมาไม่ได้เป็นรูปธรรมเหมือนร่างกายที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายใจนี้เป็นนามธรรมาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของของร่างกายเคยจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ล่องหนก็ได้ใจใจนี้เป็นมนุษย์ล่องหน เป็ร่างกายร่างทิพย์<ม>กายทิพย<ม>์นี่ก็คือใจ<ม>จะมองเห็นกายทิพย์ได้นี้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนา<ม>ทําใจให้สงบ<ม>ถ้าสามารถทําใจให้สงบได้<ม>ตาในก็จะโผล่ขึ้นตาในก็จะเปิดขึ้นมามด้วยการปิดตานอกก่อนเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะนั่งหลับตากัน เพื่อที่เราจะได้ไม่รับรูปเสียงกิ่นรถต่างๆเข้ามาแล้วเราก็จะได้เปิดตาในได้เวลาใจสงบรูปเสียงกลิ่นรถก็จะไม่เข้ามาในใจพอไม่เข้ามาในใจเราก็จะเห็นสิ่งที่มีเหลืออยู่ในใจก็คือตัวตัวผู้รู้นี่เองอันนี้เป็นการเปิดตาในด้วยการฝึกสมาธิ ถ้าเราฝึกสมาธิบ่อยๆเข้าไปในสมาธิอยู่เรื่อยๆเราก็จะเปิดตาในเราก็จะเริ่มเห็นใจเห็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของใจก็คือเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชัดขึ้นตามลาดับอันนี้แล้วเมื่อเรามีตาในแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าใครเป็นผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใครเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปใครไปใครไปสวรรค์ใครไปอบายไปนรกเราก็จะรู้ก็คือใจผู้รู้ผู้คิดนี่ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่กระทําบาปทําบุญก็คือใจนี้เองร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเป็นผู้ที่รับคำสั่งร่างกายจึงไม่ได้เป็นผู้ที่กระทําโดยตรง งไม่ได้เป็นผู้ที่ไปไปรับผลบุญผลบาปคือร่างกายไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกร่างกายมีไปที่เดียวก็คือไปที่สุสานไปที่เมรุไปสู่ดินน้ำวมไยต่อไปแต่ธาตุรู้นี้เป็นธาตุที่ไม่แยกไม่แตกไม่ดับธาตุรู้นี่แหละคือเป็นผู้ที่จะไปเป็นสวรรค์หรือไปเป็นอบายต่อไป หรือจะไปแล้วจะไปเวียนว่ายต่อไปก็คือทานรู้นี้ด้วยผู้รู้นี่แหละเป็นผู้ที่จะไปได้ร่างกายอันใหม่หลังจากที่บาปที่ได้ทำไวหรือบุญที่ได้ทำไว้นั้นไม่มีกำลังที่จะดึงให้ไปสวรรค์หรือดึงให้ไปอบายได้แล้วใจก็จะมาเกิดมาได้ร่างกายอันใหม่ และเหตุที่ทําให้ใจยังต้องมามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ก็เพราะว่าใจมีผู้ที่ต้องการมีร่างกายเป็นผู้ดึงใจให้ไปหาร่างกายนั่นเองผู้ที่ต้องการร่างกายมีร่างกายก็คือตันหาความอยากในรูปเสียงจิ่ตลดผลพภะนี่เองที่เรียกว่ากามตันหา เวลาที่มีกามาตัญหา mm hmm. ก็คือมีความอยากเสพ ร, รูปรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะตั้งการเสพกามะคุณห้านี้ทั้งห้านี้ mm hmm. ก็จะเป็นจะต้องมีเครื่องมือเสพก็คือต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกาย mm hmm. กามากตัญหานี่แหละเป็นผู้ที่ดึงดวงวิญญาณหรือท่านรู้หรือใจนี้ ไปมีร่างกายไปหาละไปหาร่างกายอันใหม่มาเพราะว่าการที่จะเสดลูกเสียงกิ่นลดผละพะได้จำเพนจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายและผู้ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายนี้เองร่างกายของเราทุกคนนี้มีอวัยวิมอายะอนะทั้งห้านี้มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือสำหรับการมาคันหา คือความอยากจะเสพกามคุณทั้งห้านี้ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราทุกคนบุตุชนอย่างพวกเราทุกคนนี้มีมีกามสัณหาอยู่ในใจด้วยกันทุกคนเราจึงยังต้องกลับมาเกิดเป็นเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆหรือบางครั้งถ้าเป็นอนิสงส์ของบาปมันก็จะพาให้เรานมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกัน จนการบาปที่เราได้ทํามันหมดกําลังเราถึงจะได้มาได้ร่างกายของมนุษย์ต่อไปแล้วพอเราได้ร่างกายของมนุษย์แล้วเราก็จะคลอดออกมาจากท้องแม่ต่อไปออกมาแล้วเราก็จะใช้ร่างกายไปหาความสุขทางตาหูจมูกเน้นกายกันไปหาความสุขจากโลกประธรรมคือลาบยศจลเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะ การที่เราไปหาความสุขจากโลกกระทำต่างๆเราก็ต้องใช้การการแสวนหาสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้มาเสดซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็อาจจะหาได้โดยที่เราไม่ต้องใช้การกระทาบาปถ้าเรามีทรัพยากรมีความสามารถที่จะทำงานทําการด้วยอาชีพที่สุดเจริญได้ พอเรามีเครื่องมือคือเงินทองทรัพยากรเราอยากจะหาความสุขจากโน้เสียงขลุดผลิตภัชนิดไหนแบบไหนเราก็ใช้เงินทองไปหามาเสพได้เช่นเราอยากจะไปดูหนังฟังเพลงเราถ้าเรามีเงินทองเราก็ใช้เงินทองที่เราหามาจากการทามาหากินโดยอาชีพที่สุดจริต เราก็สามารถที่จะใช้เงินทองของเรานี้ไปซื้อความสุขต่างๆทางต า, งตางหูจมูกลิ้งกายได้แต่ถ้าเราขาดเงินขาดทองขึ้นมาแต่ความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆนี้มันก็ยังมีอยู่แนะมันเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ใจเราจะต้องดิ่นลนเพราะถ้าเรา เวลาเกิดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรดแล้วถ้าเราไม่ได้ไปหามาเสียนี่เราจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงารู้สึกซึมเศร้าได้เราจึงต้องพยายามหารูปเสียงกลิ่นลหาทรัพยากรหาทรัพหาเงินทองมาเพื่อที่จะไปซื้อความสุขต่างๆซึ่งถ้าเราไม่สามารถหามาได้โดยวิธีสุดเจริ ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมบางทีเราก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีทุจริตคือการกทำบาปนั่นเอง อ, อาจจะไปลักทรัพย์ของผู้อื่นอาจจะไปหลอกลวงผู้อื่นเพื่อเอาเอาทรัพย์ของเขามาหรือไปชอบโกงหรือบางครั้งก็อาจจะไปป้นไปจี้แล้วถ้าเกิดมีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันตายได้ อันนี้ก็เป็นผลจากความอยากที่จะเสกรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ความอยากนี้เบื้องต้นก็อยากให้เรามีมร่างกายเวลาที่เราเป็นดวงวิญญาณไม่มีร่างกายเราก็อยากจะได้ร่างกายพอเราได้ร่างกายมาแล้วเราก็อยากจะใช้ร่างกายนี้ไปเสกรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆเราก็พยายามกันทำอาหากินโดยวิธีสุดจริตกันไปก่อน แต่ถ้าถ้าทำไปแล้วรายได้ไม่พอกับรายจ่ายที่เราต้องใช้หาความสุขมันก็อาจจะทําให้เราต้องคิดหารายได้โดยวิธีไม่สดจริตนั่นเอง<ม>ก็คือให้เราต้องไปทําบาปกัน<ม>อย่างใดอย่างหนึ่ง<ม>อันนี้แหละเป็นเป็นเหตุที่ทําให้พวกเราที่หลังจากที่มาเกิดได้ร่างกายนี้แล้วเราก็ยังต้องดิ้นรนกันอยู่เพราะว่าความอยากนี้มันจะคอย เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับน้ำแทงแงแทงตามตัวเราที่เราจะต้องคอยเอามันออกเวลาเกิดความอยากแล้วใจเรามันจะทุรนทุรายไม่สงบไม่มีความสุขรู้สึกหงุดหงิดลำคานใจรู้สึกเศร้าซ้อยงอยเหงาต้องไปต้องไปทำตามความอยากความรู้สึกสอยเศร้าซร้อย้อยเห ง, งาหงุดหงิดลำคานใจก็จะบันเทาไป ชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่นานหลังจากที่เราได้ทําในสิ่งที่เราได้แล้วมีความสุขอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกิน่นรสอันนั้นก็หมดไปแล้วความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกเรื่อยๆมันจะคอยผลักดันให้เรานี้จะต้องไปคอยแสวงหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆ เพที่เวลาที่เรามีเงินทองแล้วเราก็จะได้เอาเงินทองไปซื้อสิ่งต่างๆมาเสพสุขต่อไปอ น, นี่แหละคือชีวิตของพวกเราที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้ก็อยู่กับการเสพรูปเสียงผิดรถพุทธะแล้วก็อยู่ที่การเลี้ยงดูร่างกายของพวกเราเพราะร่างกายของพวกเรามันเป็นเครื่องมือที่สาคัญเราไม่ต้องการให้ร่างกายของเราอดอยากขาดแคลน ไม่ต้องการให้ร่างกายของเราเป็นอะไรไปไม่ให้ต้องการเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไปเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรไปพิกลพิการไปมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพ้าชนิดต่างๆได้อันนี้คือวงจรอันอนอุบาทที่พวกเราจะต้องเจอกันอยู่ในขณะนี้คือหลังจากที่ ตายไปแล้วความอยากความอยากที่มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากที่มันยังอยู่กับใจใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากนี้ก็จะดึงให้ใจกลับมาเกิดใหม่แต่ก่อนที่จะกลับมาเกิดใหม่ได้นี้ใจก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนที่เกิดจากการทำบุญและทำบาปที่ได้สะสมไว้ในใจ ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ต้องไปรับผลบาปในอบายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนรกกายหรือไปนรกกันถ้าบุญที่เราทำไว้มากกว่าบาปเราก็ไปรับผลบุญไปอยู่ในสวรรค์หกชั้น<ม>ชั้นใดชั้นหนึ่งมากน้อยอยู่ที่บุญที่เราทำมากหรือน้อยทำบุญน้อยก็อยู่ในสวรรค์ชั้นต่ำทำบุญมากก็จะได้อยู่บุญสวรรค์ชั้นสูง แต่เมื่อบุญผลบุญหมดกําลังลงหรือผลบาปหมดกําลังลงความอยากมันก็จะดึงให้เราไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่พอเราได้ร่างกายอันใหม่แล้วเราก็เริ่มพอเริ่มโตออกมาคลอดออกมาจากท้องแม่จะเริ่มโตโตเราก็เริ่มใช้ร่างกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส เริ่มตั้แต่ตอนเป็นเด็กเลยตอนเป็นเด็กก็ร้องก็จองงองแงเวลาอยากได้อะไรอยากดูอะไรอยากจะฟังอะไรก็ร้องให้แม่หามาให้บางทีต้องหาแม่ก็หาตุ๊กตามาให้ดูมาให้เล่นหาอะไรมาให้ฟังมีเสียงอะไรพอได้สิ่งเหล่า น, นี้เราก็หยุดร้องไปเชั่วข่าวเพราะความหงุดหยิบลำทานใจมันหมดไปดีใจกับของเล่นที่ได้มา ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสของของเล่นไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวพอเบื่อก็ล้องขึ้นมาใหม่อยากจะได้อะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วพอเราเริ่มโตขึ้นเราพอเริ่มมีความสามารถที่จะหาของอะไรต่างๆมาให้กับเราได้เราก็เลยเราก็เลยไม่ต้องไปรบกวนพ่อแม่เราก็ไปหาเองไปทำมาหากินหาเงินหาทองกันเพื่อที่เราจะได้เอาเงินทองเหล่านี้มามาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส แล้วก็ใช้เงินทองเหล่านี้มาเลี้ยงดูร่างกายของเรา เ, ออเพราะว่าร่างกายของเราก็ต้องมีการเลี้ยงดูต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคเราก็เลยต้องมีความจำเป็นที่จะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพกันแลการทำมาหากินเลี้ยงชีพนี้ก็มีเป็นไปไดทท้ทางใดทางหนึ่ง เ, ออเลี้ยงชีพโดยสามาชีพ ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทำร้ายผู้แล้วก็เลี้ยงชีพด้วยการกระทาบาปเป็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่เป็นอาชีพบา mm hmm. งคนก็ไม่มีใครสั่งใครสอนไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาป ก, ก็คิดว่าหา ก, กินแบบไหนก็ได้หา ก, กินโดยที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ได้ mm hmm. ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ได้เพราะเขาไม่มองไม่เห็นผลที่จะตามมาต่อไปเพราะเขาก็เห็นว่าร่างกายของคนทำบาปกับคนทาบุญ มันก็ได้รับผลบุญผลได้รับผลเช่นเดียวกันก็นกคือไปสู่ความตายเหมือนกันเขาก็เลยมองไม่เห็นความแตกต่างของการทำบุญทำบาศว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรพวกที่จะมี ม, ม, มีมีความเห็นที่เห็นว่าคนที่ทำบุญกับทำบาปนี้มีผลแตกต่างกั น, ก, นก็คือคนที่ได้รับการอบรมจากพ่อแม่บิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ ที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นิพพานว่าเป็นอย่างไรก็จะอยู่กันแบบไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่กันไปตามเาตามอารมณ์อยากจะทําบาปก็ทําอยากจะทําบุญก็ทําำแต่อารมณ์เพราะไม่รู้ว่า ทำไปแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรต่างๆนอกจากความรู้สึกชั่วชั่วคราวเท่านั้นเองตายไปแล้วก็จบเหมือนกันตายพอร่างกายตายไปแล้วก็คิดว่าสิ้นสุดลงชีวิตเมื่อร่างกายตายไปแล้วใครจะไปต่อไม่มีใครไปต่อเพราะเขามองไม่เห็นว่านอกเหนือจากร่างกายแล้วยังมีใจผู้สั่งการผู้บงการร่างกายนี้อยู่เบื้องหลัง ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาที่ไม่มีที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาตาของร่างกายก็ยังมีคนส่วนใหญ่ที่มาเกิดในโลกในขณะนี้ถ้าเขาไม่ได้มารับรู้เรื่องคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะี้เขาก็จะไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องร่างกายและจิตใจว่าเป็นสอง สองคนมามาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนสามีภรรยาร่างกายกับจิตใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งการร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งไปและผู้ที่จะรับผลของการกระทำก็คือใจผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปแล้วผลที่ผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ก็จะส่งผลต่อไปเวลาที่ เวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วคนส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นจะไม่รู้้ะจะคิดว่าเป็นเรื่ององมงายไปคิดว่าเป็นเรื่องที่เพราะนักวิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถพิสูจน์ได้เขาไม่สามารถแยกร่างกายกับใจออกจากกันได้เพราะว่าเขาไม่รู้จักวิธีแยกร่างกายออกจากใจว่าแยกอย่างไรเขาไม่รู้จักวิธีวิเคราะห์มีพระพุทธเจ้าและพระ อ, อริยสงสารเท่านั้น ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความฉลาดที่สามารถศึกษาหาวิธีวิเคราะห์วิแยกแยะร่างกายออกจากเอา อ, ออกจากใจได้สามารถวิเคราะห์ให้เห็นว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนสองคนด้วยกันคนหนึ่งนี้มีที่ไปก็คือเกิดแก่เจ็บตายก็คือร่างกายส่วนอีกคนหนึ่งคือใจนี้มีที่ไปก็คือการไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไป แล้วก็ไปนรกไปสวรรค์ก็คือใจอันนี้คนที่มองคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมองเห็นเพียงแต่ส่วนของร่างกายก็จะคิดว่าร่างกายนี้เกิดมาแล่ามาที่สุดมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปมันไม่ได้ไปไหนทุกคนเหมือนกันหมดเกิ ด, ดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทำบุญมากน้อยเท่าไหร่ทำบาสมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่มีผลต่อไป เพราะเขาไม่เห็นว่ามีผู้ที่จะไปรับผลนั้นเป็นเป็นใครนั่นเองเขาไม่รู้เขามองไม่เห็นเขาก็สรุปว่าทุกอย่างนี้อยู่ที่ร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วทุกอย่างก็จบสิ้นลงชีวิตของพวกเราก็เส้นสุดลงบาป บ, บุญคุณโทษความดีความชั่วทั้งหลายที่เราได้ทากันไว้ก็หมดไปศู์ไปหมดที่เขาเรียกว่ามีความเห็นว่าตายแล้วสูญนั่นเอง ก็คือเป็นความเห็นของผู้ที่ไม่มีธรรมของผู้ที่ไม่ได้ยินได้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะมีความเห็นว่าตายแล้วศูนตายแล้วก็จบไม่มีอะไรตามมาอีกต่อไปบุญก็ไม่สวรรค์ก็ไม่มีนรกก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดการไปเกิดใหม่ก็ไม่มีอันนี้เป็นข้อสรุปของผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ผมเรียกว่าเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบก็เห็นตามความเป็นจริงที่มีอยู่เพียงแต่ว่ามองไม่เห็นได้ด้วยตาของร่างกายก็คือนรกสวรรค์เวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นความจริงเป็นความเห็นที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าผู้ที่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติจริงจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตนเอง ก็ยังยังต้องอาศาัยศรัทธาความเชื่อของผู้ที่ได้รู้ได้เห็นแล้วก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารวกทั้งหลายนี่แหละคือเรื่องของทาไมเราต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันเพราะว่าเราก็เป็นเหมือนพวกที่ยังเป็นคนตาบอดอยู่ยังมีมิจยังมีมิจฉาทิฐิอยู่ถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เรีย น, ร, ยนรู้เรื่อง เรื่องจิตใจเรื่องของร่างกายกับจิตใจว่าเป็นสองส่วนเรื่องของใจผู้ที่กระทําบุญผู้ที่กระทําบาสนี้จะไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปของที่ตนเองได้กระทําไว้ก็คือไปสวรรค์หรือไปนรกไปอาบายแล้วผู้ที่จะต้องไปเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดต่อไปก็คือใจ อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราได้มีโอกาสได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องเป็นการเริ่มต้นของความเข้าสู่ขบวนการของความความเห็นที่ถูกต้อง<ม>เป็นการเรียนรู้เรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนสิ<ม>่งต่างๆนี้เราต้องอาศัยเรียนรู้จากผู้ที่เขารู้ มากกว่าเราเราถึงจะรู้ได้ทําไมเราต้องไปโรงเรียนกันเพราะว่าเราไปโรงเรียนเพราะเราต้องไปเรียนรู้อะไรที่เรายังไม่รู้กัน <ไ happy. S 1> วิชาต่างๆนี้เราต้องไปเรียนจากผู้ที่เขารู้แล้วแม้แตก่การการการการเขียนหนังสือการอ่านหนังสือนี้ก็จําเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์สอนเพราะเราเกิดมานี้เราก็ไม่มีความรู้ความสามารถในการอ่านหนัง <wonderfully S 1> ส, <น>สือ <re> ได้เขียนหนังสือได้เราจึงต้องไปโรงเรียน แล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้วิธีบว ก, บวกเลขบวกลบคูณหารวิธีแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกนี้ว่าโลกนี้เป็นอย่างไรประวัติศาสตร์ของโลกนี้เป็นอย่างไรวิชาความรู้ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เองเราต้องไปศึกษาจากผู้ที่เขารู้เราถึงจะได้มีความรู้ได้ฉะนั้นแต่ความรู้ทางโลกนี้ของยังเป็นความรู้เพียงด้านเดียว คือความรู้ที่เกี่ยวกับโลกของร่างกายร่างกายนี้อยู่บนโลกนี้เขาก็สามารถศึกษาเรื่องของร่างกายได้ศึกษาเรื่องของสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้ได้แต่เขาไม่สามารถที่จะศึกษาเรื่องของใจได้เพราะเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของใจถ้าอยากจะรู้เรื่องของใจนี้จาเป็นที่จะต้องไปศึกษากับผู้ที่รู้เรื่องของใจ ก็คือพระพุทธพระพุธและพระอริยสงสารวกของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเราจึงต้องมาเจอกับพระพุทธศาสนา <S S S พวกเราถือว่าพวกเราโชคดีที่ได้มาเกิดเป็นชาวพุทธกัน ม, มีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกคอยสั่งคอยสอนตอนต้นก็สอนบิดามารดาปู่ย่าตายายของพวกเราแล้วพอ เราคลอดออกมาอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ก็พาเราไปทําบุญทำทําคุศนกันสอนให้เรารู้จักบาบุญคุณโทษนรกสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งในเบื้องต้นเราก็ยังมองไม่เห็นอย่างชัดเจนว่านรกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างไรใครไปเวียนว่ายตายเกิดแต่อย่างน้อยเราก็มีศรัทธามีความเชื่อมีความเชื่อแล้วก็ทําตาม เวลาเราทำตามเราก็จะได้เห็นผลของการกระทำในในใจของเราเวลาที่เราทำบุญเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจเวลาที่เราทำบาปเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเวลาที่เราเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าใจเรามีความหงุดหงยดมีความวุ่นวายใจมีความวิตกกังวล หวาดกลูอะไรต่างๆก็จากความอยากของเราทั้งนั้นเชินเหล่านี้เราก็ยังสัมผัสได้แต่เราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรมันเกิดมาจากใคยมาจากที่ไหนใครเป็นผู้มีความรู้สึกวุ่นวายใจใครมีความรู้สึกมีความทุกข์ใจเบื้องต้นถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไปคิดว่ามันเป็นที่ร่างกายของเราแต่ความจริงถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของร่างกายเลย เรื่องของความวุ่นวายใจต่างๆเรื่องของความสุขใจมันเกิดจากการกระทาของเราเองเวลาเราทำบุญทำความดีใจของเราก็จะมีความสุขใจเย็นใจเวลาเราทำบาปใจของเราก็จะวุ่นวายใจกันเวลาเราเกิดความอยากขึ้นมาใจเราก็จะหงุดหงิดลาคานใจอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สงบจะต้องไปทำสิ่งที่อยากทำให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาออแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้ เ, ออเราก็จะได้รู้จากเรื่องของ เ, ออเรื่องของกายและใจว่าเป็นคนละส่วนกันออรู้เรื่องของร่างกายว่าที่มาที่ไปของร่างกายมาจากอะไรร่างกายก็มาจากดินน้ำลมไฟ เ, ออเมื่อเกิดมาแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเมื่อตายไปร่างกาย ก็จะหายไปเพราะส่วนประกอบที่มารวมตัวมันแยกออกจากกันคือดินน้ำลมไฟก็จะแยกออกจากกันไปคนละทิศคนละทางส่วนใจของเราที่เรามองไม่เห็นนี้ก็ไปต่อไปไปนรกไปสวรรค์ต่อไปแล้วหลังจากหมดนรกหมดสวรรค์เราก็ไปได้ร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายใหม่พอได้ร่างกายใหม่เราก็กลับมาทําอย่างเดิม ชาติก่อนๆเราก็ทำแบบที่เราทำอยู่ในชาตินี้เกิดมาเราก็เลี้ยงดูร่างกายของเราให้มันจเจริญเติบโตเอามันจเจริญเติบโตมันก็เป็นเครื่องมือที่เราจะเอาไปใช้ในการหาความสุขและกการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพัดชนิดต่างๆการที่เราหาอะไรต่างๆมาให้กับร่างกายเราเราก็อาจจะทำหามาโดยวิธีไม่ทำบาปบ้างหรือทําไม่ทาบาปแล้วไม่ได้ก็อาจจะต้องไปทาบาปกัน เมื่อเราทำบาปแล้วมันก็จะมีผลต่อจิตใจของเราแล้วบางทีถ้าเราเมีทำไรายได้มากมีเหลือมากเราก็จะเอ า, าไปแบ่งให้คนอื่นเราก็ได้ทำบุญชีวิตของเราก็คุบสลับกันไปสลับกันมากับเรื่องของการทำบุญบ้างการทำบาปบ้างแล้วก็สุขบ้างทุกบ้างไปจนถึงวันตายไปพอตายไปใจเราก็ไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปแล้วหลังจาก ผลบุญผลบาปหมดกำลังลงแล้วเราก็ไปเกิดใหม่ต่อไปนี่คือวิถีชีวิตของพวกเราที่เป็นมาอย่างนี้มาตลอดเวลาเป็นระยะเวลายาวนานน่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดถ้าเรายังไม่ได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์าเรียนรู้เรื่องของเหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันมาว่าเกิดจากอะไรถ้าเราไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดกันนี้เราก็สามารถหยุดได้ เพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาวิธีของการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดและได้ปฏิบัติจนท่านสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วถ้าเราอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องศึกษาคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนว่าถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็คือให้ละการกระทาบาปทั้งปวง ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าเราสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงได้แล้วใจของเราก็จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ทำบาปเวลาเราตายไปใจเราก็จะไม่ไปอบายไม่ไปนรกถ้าเราทำแต่บุญ ใจเราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆจนกว่าเราจะไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดเกิดคือพระนิพพานาคือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราตัวของเราว่าเราเป็นใครกันแน่เราเป็นร่างกายหรือเราเป็นอะไรกันความจริงร่างกายนี้มันเป็นเหมือนกับหัวโขนเท่านั้นเองตัวจริงแท้จริงของเราก็คือใจผู้รู้ผู้คิด ผู้ที่มาทำบุญทำบาปผู้ที่มาทำอะไรตามความอยากต่างๆแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราต้องการที่จะ่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดการไปรับผลบุญผลบาปก็ให้เรามาทำตามคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือให้เรามาละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์่อเราสามารถทา ทำทั้งสามส่วนนี้ได้ครบบริบูรณ์แล้วเราก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปอ น, นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมที่เราเคยได้ยินแล้วถ้าฟังบ่อยๆเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะทาให้เราําจัดความลังเลสงสัย ในเรื่องต่างๆได้เช่นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดได้จะทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าเราเป็นดวงวิญญาณดวงจิต ด, ดวงใจที่เวียนไปเวียนมาตายมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแล้วเราจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราได้พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนํำมาคําสอนนั้นไปปฏิบัติ เราก็จะได้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเมื่อใจเรามีปัญญามีความรู้ใจของเราก็จะเกิดความสุขเกิดจากความสงบทุกครั้งที่เราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกนันนี้ก็คือเรื่องของความเป็นมงคลของวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเลหาปูรากะเลกุเลนติสาคะังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอ oh ิจิต an ังปจิตังต um ุมหังพิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติ ภราสุยทาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพโรโควินาศตุมเตภวตถวันตรายุสุขิติขายุโกภวะอภิวาฒนศีลิกสะนิจังวุธาปะจายโนจตารูธรรมาวทานติอายุวันโสุขัง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 กรับนมัสการมหาอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะมาจากทางเฟซบุ๊ก534ท่านทางยูทูบพระอาจารย์328ท่านทางด็อกเตอร์วีชาแนล85ท่านกรับเฮา9ท่านวิทย์ออนไลน์13ท่านนาคุติ257ท่านรวมทั้งหมดเป็น 1,226 ท่านเจ้าค่ะ มีคำถามจากผู้รับฟังธรรมนากุติเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าโยมจะนั่งสมาธิอย่างเดียวโดยไม่ได้ยืนจงกรมจะได้ไหมเจ้าค่ะเนื่องจากโยมเป็นผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมเจ้าค่ะเราได้ทำในท่าไหนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวก คำถามจากยูทู e ในการประกอบอาชีพเพื่อการนำเพื่อการทำนายผลของการกระทำใดๆนะัปัจจุบันแล้วให้ความเข้าใจว่าการกระทำปัจจุบันสำคัญที่สุดชีวิตขึ้นอยู่กับทัศนคติ และการกระทาของเราพร้อมสอดแทรกธรรมะลงไปด้วยความปรารถนาดีนั้นจกถือว่าเป็นสัมมาอาชีพหรือเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่เจ้าคะก็ทำตามที่พระเจ้าสอนเนี่ยสามข้ออย่าทำบาปทำแต่บุญแล้วก็คอยชาระกิเลสให้มันหมดไปจากใจอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง คำถามต่อไปการประกอบอาชีพหากเรากระทำด้วยจิตที่เป็นกุศลไม่ได้ทำเพียงเพื่อค่าตอบแทนเช่นหมอก็ตั้งใจจะช่วยให้คนสุขภาพดีครูก็อยากช่วยให้เด็กเข้าใจคนขับรถก็อยากให้ความปลอดภยัยด้วยความคิดดีจะได้เป็นบุญด้วยหรือไม่เจ้าคะ คือถ้าจะทำโดยให้เป็นบุญก็ต้องไม่คิดค่าตอบแทนทำฟรีแต่ถ้าทำเป็นค่าตอบแทนมันก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นบุญมันเป็นการทำอาชีพทำมาค้าขายคำถามจาก YouTube ยู u ูบเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เรานั่งสามาธิได้นาน ปัจจัยคัญย่อคือการมีสติสามารถควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็จะจะนั่งไปได้นานถ้าใจคิดถึงขนมเดี๋ยวมันก็อยากจะกินขนมขึ้นมาอยากจะดูอะไรก็เดี๋ยวก็อยากจะไปดูขึ้นมานต้องคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดถึงเรื่องอะไรให้ใจอยู่ว่างๆถ้าใจว่างๆล้วก็จะนั่งได้นานพยายามฝึกสติตั้งวันก่อนที่จะมานั่ง คำถามจากนากุติเจ้าค่ะถามว่าคุณแม่ติดเตียงหลงลืมและนอนนั่งติดกระดกูกท่านติดกรรมอะไรในฐานะลูกแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะเอออย่ามาเกิดนะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนค่ะคำถามจากนากุติเจ้าค่ะ กราบนมัสการเจ้าค่ะขณะฟังธรรมบางขณะมีลมหายใจแทรกทำอย่างไรจิตจึงจะจดจ่ออยู่กันกับการฟังธรรมได้ตลอดคะกราบขอบพระคุณค่ะก็ใช้สติคอยควบคุมใจให้อยู่กับการฟังธรรมไปอย่าไปสนใจกับอาการอย่างอืงอ่นที่ปรากฏขึ้นมายังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะ <c oughs> มีใครอยากจะถามอะไรไหม เชิญถามได้นะออออเพราะว่าเดี๋ยวเลิกเราอย่ามาถามนะเพราะว่าไม่สะดวกจะสะดวกก็ช่วงนี้ช่วงเดียวที่ใครสงสัยอะไรเรื่องอะไรก็เข้ามาถามได้การการถามนี้ไม่ใช่มาคำว่าเราโง่นะคจริงคนถามเนี่ยแสดงว่าเป็นคนฉลาดอยากจะรู้มากถ้าวที่รู้มาแล้วยังไม่พอ อยากจะรู้เพิ่มเติมกะเลยถามอีกไม่ไนหมายความว่าคนที่ถามนั้นไม่ฉลาดเนี่ยก็มีทั้งสองอย่างพวกที่ไม่ฉลาดก็มีที่ถามไม่ฉลาดก็มีที่ถามเพราะฉลาดคือฟังเราวยังไม่เข้าใจยังไม่ยังไม่ยังไม่ชัดเจนก็อยากจะถามเพื่อให้ความเกิด ค, ความชัดเจนขึ้นมาโอเคงั้น เป็นการเป็นมงคลการสนทนาธรรมเป็นมงคลเหมือนกับการฟังธรรมก็เป็นมงคลมีใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้ไม่ต้องอายเพราะเราก็เป็นเหมือนคนคนไข้ด้วยกันทุกคนคนไข้ก็มีโรคชนิดเดียวกันทุกคนโรคของความทุกข์ใจธรรมะของพระเจ้าก็จะเป็นยารักษาโรคใจ มีคำถามจากคุณชุธาทิพย์เจ้าค่ะว่าทำยังไงไม่ให้โกรธง่ายคะความโกรธของเราไม่นเกิดจากความอยากของเรา อ, อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้คนเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อพอไม่ได้เป็นไปตามความอยากเขาโกรธขึ้นมาโค้เจ้าสอนให้พวกเราหัดทำใจให้เป็นสันโดษยิยนดีตามมีตามเกิดใครเขาจะชมก็ได้ใครเขาจะด่าก็ได้อย่างนี้เราก็จะไม่โกรธ อากาศจะร้อนก็ได้หนาวก็ได้ฝนจะตกก็ได้ไม่ตกก็ได้พยายามฝึกใจให้มันยินดีตามมีตามเกิดแล้วเราจะไม่โกรธใครที่เราโกรธก็เราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่เป็นเราก็โกรธขึ้นพระอาจารย์เจ้าค่ะการนั่งสมาธิจาเป็นต้องสมาทานพระกรรมฐานไหมคะไม่หรอกจาเป็นอย่างเดียวคือสติจะสมาทานก็สมาทานสติ คอยมีสติเยอะๆคอยอย่าอย่าให้ใจลอยให้ใจอยู่ในปัจจุบันให้ใจไม่คิดฟุง้งฟุ้งแต่งเรื่องราวต่างๆ mm hmm. อันนี้ต้องเกิดจากการทําตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย mm hmm. พอตื่นขึ้นมาปั๊บก็พุโทโธพุโทโธไป mm hmm. ไปทํางานไปทําธุรส่วนตัวอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไ ป, mm hmm. ไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่เราทํากิจ ถ้าจะคิดอะไรก็ให้หยุดการกระทำไว้ก่อนแล้วให้มีสติอยู่ความคิดจะคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ที่นั้นมเป็นเรื่องเลื่อมไปที่ไั่นมันจบจบไปพอคิดจบแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาอยู่กับพุโทโธต่อไป เจ้าค่ะมีคำถามจาก u ูทูบเจ้าค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อใจและกายร่วมกันทำกรรมไม่ดีโดยใจเป็นผู้สั่งเมื่อถึงเวลารับกรรมต้องได้รับผลกรรมทั้งกายและใจหรือได้รับกรรมเฉพาะใจอย่างเดียวเจ้าค่ะคือที่แ น, น่นอนก็คือใจต้องไปผู้รับทันทีสศกนึกทุกใจทำาดีมันก็สุกใจขึ้นมา ทำบาทําไม่ดีมันก็ทุกข์ใจขึ้นมาส่วนผลทางร่างกายนี้มันเป็นผลไม่แน่นอนบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิด<ม>ทำํทำบิดติดกฎหมายแล้วก็อาจจะไม่ติดคุกก็ได้<ม>ถ้ามีเงินมีอะไรมีการมีพิธีการมันก็ไม่ติดได้บ<ม><ม>างคนทําความดีถ้าเป็นท่าตายก็ไม่มีใครให้รางวัลก็มีไม่ได้มีใคร ย, ยกย่องสรรเสริญก็มีมอันนี้เป็นเรื่อง ม, มันที่มันไม่ใช่เป็นผลดยที่แท้จริงของการกระทํา ผลที่แท้จริงของการกระทำก็คือความสุขใจทุกข์ใจแล้วสวรรค์นรกที่จะตามมาต่อไปถึงแม้ไม่ติดคุกในในโลกมนุษย์นี้เดี๋ยวตายไปก็ไปติดคุกในอบายต่อเพราะว่าบาปมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งผลมันรอเวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วบาปหรือบุญมันถึงจะเริ่มส่งผลต่อไป เจ้าค่ะมีคําถามจากคุณโจเจ้าค่ะถ้าเราอยู่สวรรค์ชั้นไม่สูงเรายังมีสัญญาจําได้ไหมว่าต้องการทําสมาธิทุกวันอ๋อในขณะที่เราไปสวรรค์นี่ก็เหมือนกันตอนที่เรานอนหลับแล้ว เ, เราฝันดีตอนนั้นเราไม่ค่อยจะไ ม, ไม่คิดถึงเรื่องอะไรแล้วเราก็อยู่กับความความสนุกสนานที่เกิดจากการมีความฝันดีปรากฏให้เรารับรืม มีคำถามจากคุณต้องตาเจ้าค่ะเรียนถามพระอาจารย์ในการคบเพื่อนหรือร่วมงานทำธุรกิจด้วยกันหากมีทัศนคะะติไม่ตรงกันหรือเห็นเพื่อนทำไม่ถูกต้องเราตักเตือนแต่เขาไม่ฟังลองอดทนแล้วหากเราทุกข์ใจเราปล่อยไปตามกรรมเราทำถูกต้องไหมคะ ถ้าเราทำทำให้เราไม่ทุกข์ใจได้เราก็ทาสิแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องเราก็ต้องรับกรรมไปถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้เราก็ควรที่จะแก้ไขสถานการณ์ถ้าทำงานร่วมกันไม่ได้ก็แยกแยกทางกันไปไม่จาเป็นว่าจะต้องอยู่กันไปทำร่วมกันไปตลอดนอกจากว่ามันแยกไม่ได้มันมันเหมือนกับเป็นแฝดสยามอย่างนี้ มันก็ต้องทนอยู่กันด้วยไปจนกว่าจะตายจากข้างไปมีคำถามจาก YouTube เจ้าค่ะถ้าเราสวดมนต์เป็นภาษาบาลีแต่ในใจแอบแปลบางในบางประโยคแบบนี้ถือว่าเป็นความฟงซ่านหรือไม่เจ้าคะก็เริ่มคิดปรุงแต่งคนจะอยู่กับบทสวดมนต์ไปอย่างเดียวมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมนากุติเจ้าค่ะ กรับนมัตการค่ะการจะตัดจากโลภะโทสะโมหะต้องพิจารณาอย่างไรเจ้าคะเพราะเรายังรู้สึกได้ว่ามีอยู่และยังยึดติดอยู่กับสิ่งนี้การใช้ปัญญาจ ะ, จะเข้ามาช่วยได้อย่างไรกราบขอาพเจ้าคุณเจ้าคะ่ะเหตุของความอยากก็เกิดจากความหลงความหลงที่ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ ที่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบมืองคับไม่ได้เช่นร่างกายของเราเนี้ยมันทําให้เราทุกข์ทุกข์เพราะว่าเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้เราต้องเราจะทุกข์กับมันก็เพราะว่าเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายไปอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจเราก็จะไม่ทุกข์แล้วต่อไปใจเราก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเพราะรู้ว่าร่างกายมันเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุข คำถามจากผู้รับฟังนากุติเจ้าค่ะอุบายธรรมในการแก้ความขี้เกียจขี้ขลาดในการภาวนาแก้อย่างไรดีครับแก้ด้วยความขยันพนยา <c oughs> ยามขยันทําบ่อยๆบังคับเราบังคับตัวเราให้ทําเหมือนกินข้าวบางทีบางวันเราอาจจะไม่อยากจะกินข้าวแต่เราก็ต้องกินเพราะถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวมันจะหิว <c oughs> การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับให้อาหาร <c oughs> กับกจิตใจ เวลาเราไม่ได้ให้อาหารกับจิตใจจิตใจเราก็จะหิวจิตใจเราก็จะไม่มีความสุขเหตนให้เราคิดว่าเราต้องพยายามให้อาหารกับใจเราอยู่เรื่อยๆพยายามผืนไปพอต่อไปทําไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทําง่ายใหม่ๆมันก็ไม่เคยแล้วมันไม่เห็นผลของการกระทํามันก็เลยไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่แต่พอเราทําไปเรื่อยๆแล้วเริ่มรับผลของการกระทําแล้ว มันก็จะมีความยินดีมีฉันทะขึ้นมามีความขยันขึ้นมาตามมาต่อไปในเบื้องต้นถ้ามันขี้เกียจก็ต้องบังคับมันนแล้วก็ใช้เหตุผลว่าการไม่ทําเนี่ยมันเป็นมันเสียหายมากกว่าการกระทําทํามีแต่ได้ไม่ทําแล้วจะขาดทุนคิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่ขี้เกียจเจ้ค่ะมีคําถามจากหน้ากุฏิเจ้าค่คะการเป็นหมอดูเป็นสัมมาอาชีพใหมคะ ถ้าเป็นหมอดูแบบพระพุทธเจ้าก็เป็นสัมมาชีพเพราะสอนความจริงว่าคุณต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะถ้าอยากจะสะเดาะข้อก็ไปทําบุญอย่าไปทําบาปถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสัมมาชีพเพราะสอนความจริงแต่ถ้าไปสอนเรื่องที่มันไม่จริงนี่มันก็ไม่มันก็เป็นวิชาชีพเงราะฉะนั้นก็สิ่งใดที่เราสอนถ้ามันเป็นความจริงก็ถือว่าเป็นสัมมาชีพได้ สิ่งใดที่ไม่เป็นความจริงมันก็เป็นเรื่องของความโกหกไปก็เป็นมิจฉาชีพได้หลอกลวงกันโกหกหลอกลวงกันพงวนหน้าคุณจะถูกเลขนี้หลงนั้นนะหล<ม>อให้เขาไปซื้อพอเขาซื้อแล้วเขาไม่ถูกก็ข า, ขาดทุนเลยมีคำถามจากคุณจตุรนเช้าค่ะ การถือสินแปดนอกจากน้ำแล้วทานอะไรได้บ้างหลังเที่ยงครับและการนอนบนที่นอนที่ใช้อยู่ในห้องนอนได้ไหมครับกราบนรมัต ก, การพระอาจารย์ครับถ้าเจ้าอดจริง ๆ, ๆก็อย่าไปกินอะไรเลยง่ายที่สุดเนะดินแต่ น, ตน้ําเปล่าหลังจากเที่ยงมันไปแล้วก็เดินแต่ น, ตน้ําเปล่านะอย่างเดียวนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการว่าจะกินอันไหนได้ไม่กินอันไหนได้ การหยุดการหยุดกินก็เพื่อหยุดความอยากกินแต่ถ้าหยุดหยุดกินตอนเที่ยงแล้วยังอยากไปกินอย่างอื่นอยู่อีกมันก็ไม่ได้หยุดจริงๆให้มันหยุดจริงๆดีกว่านะกินอาหารเสร็จแล้วก็ไม่กินอีกต่อไปจนถึงวันนุ่งขึ้นนะถ้าหิวน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าแค่นี้จบนะเตียง ก, ก็หาพื้นที่มันแข็งๆนอนจะเป็นเตียงก็ได้เป็นพื้นก็ได้ถ้าถ้าบนเตียงมีฟูกแล้วก็เอาฟูกออ ก, กอนะั่ก็นอนัน บนพื้นไม้ที่ที่วองฟูกไว้ทิ้งปู ด, ด้วยผ้าปู ด, ด้วยเสื่อก็พอไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับนอนให้หลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายเท่านั้นเองคําถามจากทางเฟ e บุ o กเจ้าหจากคุณวีรพลกราบนะมาสการพระอาจารย์ครับตลอดทั้งวันเวลาว่างหรือในขณะที่ทำงานอยู่แล้วพิจารณาลมเข้าออกไปด้วย ทำครั้งละไม่นานแต่ทำเรื่อยๆตลอดทั้งวันยังถือว่าเป็นการภาวนาใหม่ครับหรือว่าต้องว่างจริงๆเราค่อยทำครับเขาทำได้ทั้งวันการการปฏิบัติสตินี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเวลาว่างนั่งเฉยๆเท่งนั้นเองไม่ว่าเราทำอะไรเราก็ให้มีสติอยู่งานที่เราทำก็ถือว่าเรามีสติเรากำงเจริญสติอยู่นั่นทาได้ทุกเวล า, าที จะให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งหน่งบงกันความคิดไว้คำถามจากน้่คุติเจ้าค่ะจากสังคมปัจจุบันเราควรเริ่มต้นสอนให้ลูกให้เรียนรู้ธรรมะอย่างไรก็อสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษเน่ยะสอนให้รู้จักที่สูงที่ต่ำให้มีสัมมาคารวะให้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นต้น คำถามจากยูทูบเช่คาา่ะจากคุณวิพาดาพี่น้องทิ้งพ่อผู้ป่วยติดเตียงให้เราดูแลคนเดียวโดยไม่มีไรายได้แต่ใจเรายอมรับว่าทำให้พ่อเพื่อทดแทนบุญคุณคิดแบบนี้ถูกต้องหรือยังคะเราควรจะดีใจว่าเราได้ทำบุญคนอื่นก็ไม่เอาเราได้ทำคนเดียวถือว่าเราเราไม่โชค มูลคของพ่อแม่นี้ยิ่งใหญ่มหาศาลธรรมจ้าบอกว่าใช้อย่างไรก็ไม่มีวันหมดเรนเรามีโอกาสได้ชดใช้ได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีถือว่าเราเราได้เราได้มีโอกาสได้ทําบุญยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะมีก็หมดเวลาพอดีนะก็ขอให้ท่านทรงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ